ทีนี้ถ้าตั้งกัดสี่ทุ่มขึ้นไปเนี่ยนะสี่ทุ่มนับศูนย์ใช่ไหมห้าทุ่มนับหนึ่งก็ไปจนถึงตีสองเนี่ยนะก็จะนับสี่ชั่วโมงพอดีก็สี่ชั่วโมงนี้ก็เรียกว่ามัชชิมยามแห่งราตรีว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนัสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าพระวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร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 ว่าเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยประการชนิดเนี่ยนะใช้คําว่ากองทุกนะเพราะปฏิเสธอะไรปฏิเสธสัตว์ย่อมเกิดด้วยอาการหรือย่อมเกิดด้วยปัจจัยเหล่านี้เท่ากับปฏิเสธอะไรปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกใครเสกสรรปั่นสร้างขึ้นมานะแต่เป็นไปตามปัจจัยเหล่านี้นะคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบางพวกก็เขบอกว่าสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์ เสร็จแล้วก็ไปสำคัญว่าไอ้สิ่งเราเนี่ยถูกผู้สร้างขึ้นเนี่ยนะก็เข้าใจผิด้ะะ น, นก็สรุปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวทุกนะเป็นกองทุกทุกเหล่านี้เกิดจากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เสร็จแล้วก็พิจารณาแบบปฏิโลมเนี่ยนะาแทงตลอดอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยนะวัตถุทกุก็จะดับไปอย่างนี้ก็มาดูพุทธอุทานคาถาที่สองว่า เมื่อใดแลธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่อันนี้ก็ตามเดิมใช่ไหมธรรมะคืออริยสัจทั้งสี่ปรากฏคือตรัสรู้แก่พรามผู้มีความเพียร น, นะตรงนี้ใช้คาว่าความเพียร น, นะแสดงว่าใช้ความบากบั่นเป็นอย่างมากใช่ไหมแล้วก็เพ่งเมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งตัดใจทั้งหลาย เนี่ยนะคาถาแรกเขาบอกว่ามารู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุใช่ไหมเน้นบรรทัดสุดท้ายนะว่าคาถาก่อนนั้นบอกว่าเพราะมารู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุพอคาถานี้บอกว่าเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยอะไรหนอะจริงจะเรียกว่าความสิ้นไปแห่งปัจจัยอย่างแน่แท้ควรจะเป็นอะไรตัวสิ้นปัจจัยเนี่ยคืออะไร เนี่ยนะความสิ้นปัจจัยเนี่ยคืออะไรนิพพานนะคิดจนหน้านะคิดจนถูกนะนะเก่งมากเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยเนี่ยนะคาถานี้เน้นพิจารณานิพพานเนี่ยนะเพราะได้รู้คือได้ทราบชัดคือได้ตรัสรู้นิพพานกล่าวคือความสิ้นปัจจัยทั้งหลายคือเมื่อได้ธรรมะทั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้ว ปรากฏแก่พราหมณ์นั้นผู้เพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทุกอย่างที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเพราะไม่รู้นิพพานย่อมสิ้นไปเพราะฉะนั้นเครียกว่าในเรื่องของนิพพานทุกแง่ทุกมุมเนี่ยไม่สงสยัยนะใช้เวลาใครควรสี่ชั่วโมงนะของเรานี้ว่ากันสักท่านี้ถ้าให้ว่าแต่อย่างนี้ไปสักครึ่งชั่วโมงข้างหน้าอีกจะมีว่าหรือเปล่าเนาะใส่จะหมดหมดภูมิหมดพวง ห, หมดตับหมดปอดหมดเลยนะ แต่ของท่านคิดได้สีชั่วโมงแล้วไม่ใช่ว่าคนมีกิเลสไหมคือถ้าคนมีกิเลสอาจจะฟุ้งไปเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องนี้หน่อยๆใช่ไหแล้วก็คิดไปเรื่องอื่นอาจจะได้เองแหละแต่นี้ไม่ใช่เพ่งอย่างเดียวเลยนะนาชาญชาญเจนพานชาเ น, นี่แปลว่าเพ่งชาะโตนะตะลิ ม, มาจากคาว่าชาะโต คือถ้าเป็นไทยเรียกว่าชานแต่ถ้าเป็นเรียกตามไัยาก ร, กรก็ตามสาวกชายะโตก็คือชานนั่นแหละลอันเดียวกันททเจนพรก็คำว่าเพียนนั่นน่ะมาจากอาตาปีทีนี้ในข้อที่สามหน้าสี่กล่าวว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนาสิการปฏิจจสมุบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีดังนี้นะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมี สังขารเป็นต้นนั่นแหละแล้วก็โดยปฏิโลมเนี่ยนะว่าถ้าสำรอกอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับแล้วก็มาดูคาถาในหน้าที่5เนี่ยนะว่าพุทธอุทานคาถาที่สเมื่อใดแลธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมนะเมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมานและเสนาเสียได้ดดพระอาทิตย์อุทยัยทาอากาศให้สว่างฉะนั้น เห็นไหมทนะพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมานและเสนาเสียได้ดุดพระอาทิตย์อุทัยทำอากาศให้สว่างจันั้นคาถานี้เน้นสัจจะอะไรเห็นไหคาถาแรกก่อนนะว่ารู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุนี่เน้นทุกขกับสมุทัยใช่ไหมคาถาที่สองมาเมื่อกี้นี่เน้นรู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยคือนิพพานคาถานี้ก็สุดท้ายแล้วใช่ไหมก็อริยมรรค นะก็คําว่ากําจัดตัวที่จะกําจัดได้จริงๆอะ่ะคือมัจทีนี้เป็นสมุทเฉทะปหารใช่ไหมกำจัดมานและเสนาเสนามานเนี่ยคืออะไรนไหมเคยินะนะกามทั้งหลายเป็นเสนาที่1ของท่านเหนไะนะวัตถุ ก, กามทั้งหลายเนี่ยนะก็มันก่อให้เกิดกิเลสกามใช่ไหมเพราะกามเนี่ยเป็นเสนาที่หนึ่งความไม่ยินดีอารติเนี่ยนะเป็นเสนาที่2ความหิวความกระหาย เป็นเสนาที่สามตันหาเป็นเสนาที่สีนะ่ถีนามิทะเป็นเสนาที่ห้านะก็ดูว่าใครจะเสนามาเนี่ยแทรกมั่งอัเนะเดี๋ยวตึกๆ ก, กันนี่หน่อยอก็กิเลสทั้งหลายนะความขลาดกลัวเป็นเสนาที่หกวิจิกิจชาเป็นเสนาที่เจ็ดความลบหลู่ความหัวดื่อเป็นเสนาที่แปดราบสการะสันเสรญเนี่ยนะ พวกนี้เป็นเสนาที่เก้ายศที่ได้มาผิดธรรมแล้วก็เป็นเหตุให้ยกตัวเองหมิ่นผู้อื่นนี่เรียกว่าเสนาที่สิบเนี่ยนะก็ไปดูนะใน เ, ะเล่มสี่สิบเจ็ดะนะข้อสาม้อยห้าสิห้าเกี่ยวกับเรื่องเสนามา ن เนี่ยนะมานแล้วก็เสนา م ا านพระองค์ก็กําจัดมานเหล่านี้เสียได้เนี่ยนะก็ด้วยอรยิยมรรคก็เลยเหมือนกับอุปมาเหมือนกับว่า ดวงอาทิตย์ถ้าอุไทยขึ้นนะสมมติว่ามืดๆอย่างนี้ถ้าดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเนี่ยความสว่างสวยก็จะเกิดขึ้นหมดเลยใช่ไหมนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าอาริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะก็สว่างหมดเลยเหมือนกันมรรครู้อะไรก็บอกว่าถ้าสว่างเลยนะเอ๊ะถ า, ถามว่ามรรคเนี่ยรู้อะไรไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราก็มาคิดว่าแสงสว่างนะถ้าสว่างก็ส่องเห็นภูเขาต้นไมใ้ใบหญ้าเดี๋ยวมัสว่างแบบนี้เข้าเลยปฏิบัติให้มันสว่างแบบนี้เท่าที่ ก็นึกว่าสว่างแบบนั้นก็ได้ถามว่าเอ๊ะมรคเนี่ยรู้อะไรมรคไมี่รู้อริยสัจนะไม่ใช่ว่าเอาไฟฉายไปเที่ยวส่อง้ะได้สว่างเยอะๆไม่แต่อย่างนั้นส่องก็เห็นสีอะ่ะย้อมสรุปในคาถาทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าใช้เวลาพิจารณาสรุปนะทั้งคืนสามยามเลยนั่นก็หัวค่ำถึงนวแหละสว่างอนนะ อันนี้ย้อนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะว่าเราเคยได้ยินนะว่าชรามรณะเนไะคาถาแรกเน้นการพิจารณาชรามรณะกับสมุทัยไหมอันนี้เท่ากับปฏิจจสมุปปณะธรรมปฏิจจสมุปปณธรรมก็มาจากชาติเพราะฉะนั้นชาตินี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมานะถ้าเรียนไป น, นานๆเข้านะภาษาไทยน้อยเต็มที นะเรียนไปเรียนมานะปัจฐานนะจะมีคําว่าและเท่านั้นนะนะกับตัวเลขกันนะที่เป็นภาษาไทยอ่นะที่เหลือภาษาบาลีหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะเรียนไปเรียนมาก็จะเหลือแต่ภาษาบาลีล้นย้นถ้าฟังมานานแล้วก็เหมือนกันน้ําซึมอนะมันก็คุ้นไปเยอะแล้วนะถ้าเพิ่งเรียนก็ติดศัพท์หมดเลยย้อนไปทีหนึ่งนะคาถาแรกเนี่ยนะรู้ธรรมะอันนี้เรียกว่าธรรมะนะอันนี้เรียกว่า ปัดใจถามว่าพระ อ, องค์เอาอะไรมาคิดหนักหนาเนี่ยนะจึงใช้เวลาตั้งสี่ชั่วโมงอ่นนะตัวชรามรณะจริงๆอะไรบ้างเรียกว่าตัวชรามรณะคืออะไรถ้าพูดอย่างนี้นะถ้าของพระ อ, องค์นะจะเอาอะไรมาพูดพบสกํกำเนิด4เนี่ยนะคติหวิญญาณทิติ เจ็ดเนี่ยนะสตาวาดเก้าเนี่ยนะในจักรวาลที่หาที่สุดไม่ได้ก็บอกว่าไม่มีอารมณ์แม้แต่หน่อยเดียวอะที่พระพุทธเจ้าไม่พิจารณาไม่มีเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในในสโุสโว่าสังขารทุกชนิดหมายว่าพะ อ, องเอามาวิจัยหมดเลยเนี่ยนะ มาวิจัยหมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ไม่เอามาพิจารณานะถ้าถ้ามองเอชรามรณะแต่ถ้าเอานะภพสามสมมตินะเอาภพสามประกอบไปด้วยอะไรบ้างานะกามะภพรู ป, ประภพแล้วก็อรู ป, ประภพทีนี้ถ้าในเฉพาะส่วนของกามะภพนะแยกเป็นอบายสี่แล้วก็อะไรอีกอนะ อบายสี่นะมนุษย์หนึ่งแล้วก็เทวดาอีกหกชั้นเนี่ยนะก็พวกเนี้ก็ต้องไปคูณกับจักรวาลเข้าไปด้วยเนี่ยนะในจักรวาลอื่นๆเข้าไปเสร็จแล้วก็พิจารณาดูนะว่าอาเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะเรื่องของมนุษย์เนี่ยมีให้คิดอะไรบ้าง น, นะเพราะฉะนั้นสรุปว่าคือไอหลักวิชาเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่พระองค์พิจารณากับสัตว์ทุกหมู่เหล่าวางันเถอะ อันนั้ไปไข้ควรหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ชั่วโมงอาจจะไม่พอด้วยซ้ําไปถ้าถ้าเป็นของเรานาะก็เอางี้นะเอาเรื่องคนแก่คนนั้นมาคิดซิเอาเรื่องคนแก่คนนี้มาคิดคนแก่คนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้ น, น, น, นอันนันนั่งรายเชื่อไปเถอพิจารณาไปจะ เ, เยอะเองแหละเนี่ยนะแล้วก็จะมองเห็นว่าโอ้โหชารามรณะเหล่านี้เนี่ยนะเอ า, ง, างี้บั่งผู้ที่เกิดมาแล้วผู้ใดมั่งไม่มีชาราและมรณะ เมื่อเกิดมาแล้วนะเมื่อปฏิสนธิมาแล้วก็เกิดจากชรามรณะทีนี้ชรามรณะเหล่านี้พระองค์ก็ยังถึงพิจารณาไปที่ชาติเพราะฉะนั้นถ้าชาติเหล่านี้นะก็นับตั้งแต่แรกปฏิสนธิใช่ไหมถ้าในขณะที่ชาติเกิดขึ้นเนี่ยประกอบไปด้วยนามอะไรบ้างนามก็เป็นอนนนส ม, มุติฐานนี้เป็นปฏิสนธิจิตนะก็นามมขันสามกับอะไรกัมมัชูป สามกลุ่มใช่ไหมเป็นกายเป็นภาวะเป็นอะไรหัตถะเนี่ยนะและพวกนี้มันจเจริญเติบโตไปยังไงจนกว่าที่เรียกว่าสรุปว่ามรณะเพราะระหว่างนี้เรียกว่าชราหมดเลยนั่นนะก็มีอะไรให้ไข้ควรตั้งเยอะแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้สิ่งที่ต้องไม่ลืมนะอั น, นิสงส์ของชราคืออะไร โรคก็จะเข้ามาแล้วแล้วก็คูณกับคนเข้าไปคูณกับสัตว์ในทุกคอบภูมิเข้าไปเนี่ยนะเยอะเองอะ่ะพัพิจารณาในเรียกว่าทุกขสัตย์กับสมุทัยสัตว์สีชั่วโมงทีนี้พิจารณาถึงว่าไอ้ความสงบระงับจากสิ่งเหล่านี้นะหมายให้ว่าถ้าทุกมีจำนวนเท่าไหร่ ปริมาณแห่งความดับทุกข์ก็ควรมีเท่านั้นใช่ไหมก็พิจารณาถึงความดับทุกข์ น, นะ น, นี่เป็นคาถาที่1 น, นะรู้ปัจจัยส่วนคาถาที่2รู้อะไรคาถาที่2ก็คือรู้ความสิ้นไปแห่งเนี่ยนะคาถาที่2นะรู้ธรรมะเป็นที่สิ้นไปเนี่ยนะแห่งปัจจัย ย้อนอีกครั้งหนึ่งรู้ปัจจัยคือเออคาถาแรกนะปัจจัยกับนะธรรมะที่ทำให้เกิดปัจจัยเข้ากับรู้พิจารณาทุกขศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์เนี่ยนะอันนี้พิจารณานิโรธศาตร์เห็นะพอคาถาที่สกํกำจัดมานและเสนามารเนี่ยนะกำจัดมานและเสนามาน เหมือนกับอาทิตย์อุทัยเนี่ยนะขึ้นก็ทำให้สว่างสวัยฉะนั้นก็นี้ก็พิจารณามักคสัตย์เยนะพิจารณามัคคสัตย์ก็สรุปว่าสามยามเนี่ยนะพิจารณาอริยสัจนั่นเองเนี่ยนะ ท, ทั้งที่บรรลุอริยสัจแล้วนะคื อ, ค, อคือไม่ใช่พิจารณาสิ่งที่ตัวเองบรรลุ แต่พิจารณาอะไรเพราะว่าไอการพิจารณาเหล่านี้ถือว่าเป็นบาทของการเอาไปไปสั่งสอนเนี่ยนะอย่างที่ว่านะมักขศัตท์เนี่ยมีเราอยู่อย่างนี้นะเราจะรู้ไอมักก็ไม่มีอะไรมากก็มักมักอ่ะแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วมักมีอยู่สี่สี่มักเถ้าจะเอาเรื่องว่าไอมักเนี่ยคิดยังไงทั้งสี่ชั่วโมงมักเนี่ยมีอยู่สี่มัก ถ้าสี่มักเนี่ยนะคูณฌานห้าเท่าไหร่ยี่สิบทีนี้ในคูณฌานห้าเนี่ยนะก็คูณกับอธิบดีอีกสเนี่ยนะก็เป็นเท่าไหร่เท่ากับแปดสิบใช่นะคูณอธิบดีสี่แล้วก็คูณกับปฏิปทาอีกสเท่าไหร่น่นะเท่าไหรนะ่น 320ยี่เนี่ยนะคูณกับวีโมกสาเท่าไรน้าอหสแล้วก็960ิเนี่ยนะคูณกับธุระอีก 2. สองศรัทธาธุระกับปัญญาธุระเนี่ยนะเท่าไ้ารยี่สินเนี่ยนะ <9 20. S 1> <1920. S 2> แล้วก็เขามีรายละเอียดไปคูณว่าก่อนจะบรรลุเนี่ยพิจารณาอะไรก่อนเนี่ยนะพิจารณาเขาเรียกว่าภายในมากหรือภายนอกหรือว่าพอพิจารณาอนิจจังหรือทุกขังอนัตตานี่นะรายละเอียดขึ้นยังไงลงยังไงอีกกว่าเรียมักจะเกิดอพอพูดเป็นสรุปสรุปนะว่าผู้บรรลุเท่าไหร่นะขอให้รู้เท่ว่ามักมีเท่านั้นเนะนี่นยนะสมมุติถ้าผู้ฟังธทำนะตรัสรู 1, ้ห น, นึ่งพันคนใช่ไหม มรกเท่าไรมร์ ก, ก็เท่ากับหนึ่งพันแล้วมรกของแต่ละคนไม่ใช่ว่ามีรยยายละเอียดเท่ากันหมดจะมีความหลากหลายความแตกต่างกันอยู่ในนั้นทั้งหมดทีนี้พระพุทธเจ้าในฐานะธรรมราชาใช่ไหรอบรู้ทั้งหมดเลยเห็นไะหว่าใครจะสามารถเกิดมรกได้บ้างไม่เกิดมรกได้บ้างเนไะว่าปฏิสุทธิชนิดไหนเป็นปัจจัยแก่มร์ต้องอาศัยกัลยาณมิตรยังไงต้องฟังธรรมเทศนาะ หมวดไหนเป็นต้นนะก่อนมรรคนั้นนั้นจะเกิดเนี่ยนะก็เอามาพิจารณาทั้งหมดเลยเขาบอกว่าระเจ้าเวลาพิจารณาองมีรักฐานเนี่ยมีรัศมีผู้มวยดกายเจนพออันนั้นคนละสัปดาห์กันอันนี้คนละนายอีกครั้งนึงอันนีน้อันนี้เพียงแต่ว่าสมมติมว่าบรรลุเมือม่อเช้ามืดเนี่ยบรรลุอริยสัจนะก็เข้าพระสมาบัติแล้วก็นั่งไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยนะเท้าไม่ได้ขยับแม้แต่หน่อยเดียวในในด้านรูปกาย สแล้วก็นั่งอยู่งั้นแนหะตกคืนเนี่ยคือคืนของวันปฏิบดเนี่ยนะพิจารณานี้อีกแล้วก็เข้าพระสมาบัติอีกอีกร้อยวันพอเข้าพระสมาบัติออกจากพระสมาบัตินะพระองค์ก็ออกจากพระสมาบัติพิจารณาปฏิจจสมุปบาทใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยนะพิจารณาแบบแนวคำภีอุทานก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มพิจารณาอนุโลมอย่างเดียว อนุโลมปฏิจจสมุบาทพอสี่ทุ่มถึงตีสองพิจารณาปฏิโลมอย่างเดียวพอตีสองถึงสว่างนะพิจารณาทั้งอนุโลมและปฏิโลมเห็นไหมพอสว่างเช้าขึ้นมาในวันที่แปดเทวดาเขาสงสัยว่าเอ๊ะสงสัยยังไม่บรรลุหมดสงสัยยังไม่ได้บรรลุหมดนะนะพระพระพุทธเจ้าไม่บรรลุคือยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสงสัยยังพิจารณาอย่างอื่นให้บรรลุอีก อ, องค์ก็เลยตัดความสงสัยของเทวดาแสดงยมะกะปาฏิหารเนี่ยนะก็คือคือถ้ากับวันที่แนะตรัสรู้วันที่8เนี่ยแสดงยมะกะปาฏิหารก็พอแสดงยมะกะปาฏิหารเสร็จพระ อ, องค์ก็เดินเรียกว่าเดินมาในทิศทิศตะวันออกกันนะทิศตะวันออกหน่อยหน่อยแล้วก็แพ่งดูถึงต้นมหาโพต้นโพนะกับบรลลังอันนั้นนะ่ย ยืนดูนึกถึงอุปการะคุณว่าบาเพ็ญบารมีมาทั้งสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะเพื่อจะมาสแสวงหาบัลลังก์อันนี้ก็ดูอย่างเดียวไม่กระพริบตาอีกเจ็ดวันสถานที่ตรงนั้นเรียกว่าอันนีมิสเจดีเนี่ยนะอันิมิสเจดีคือที่ที่ไม่กระพริบตาดูเลยนะก็ก็อยู่ข้างหน้านะอยู่ในด้านข้างหน้าก็ดูอย่างเดียวเจ็ดวันไม่กระพริบนะ่ยืนดูเสร็จแล้ว หลังจากนั้นพระองค์ก็เดินจงกรมเนี่ยนะพอพ้นสัปดาห์ที่3ก็จะเดินจงกรมระหว่างต้นมหาโพกับคือบลังกอ่ะนะกับที่ยืนนี่แหละเดินจงกรมกลับไปกลับมาเียนะเดินอยู่เจวันด้วยกันะนะเดินเจวันอพอครบอาทิตย์นั้นอีกก็ไปไปนั่งที่ตรงใกล้ๆตรงนั้น่ะนะเรียกว่ารัตนคระเจเดีเพื่อพิจารณาอภิธรรมปิดก เนี่ยนะก็พิจารณาพิธรรมปีดกอีกเจ็ดวันโดยเฉพาะคัมภีปัฏฐานเนี่ยนะคำพีปัฏฐานทีนี้พอพิจารณาพิธรรมปีดกเสร็จก็หลังจากนั้นพระองค์ก็เนี่ยเข้าไปที่ต้นอาชะปาระนิโครธในหน้า5เนี่ยนะก็ไปถึงก็ไปนั่งสเส ว, วีมุตติสุขอีกนี่นะแหละเข้าพระละสมาบัติเนี่ยนะมีนิพพานเป็นอารมณ์ที่ที่ต้นอาชะปาระนิโครดเนี่ยนะเจวันเนี่ยนะ อันนพันในต้นอาชาปาระนิคโครธเนี่ยนะเท่ากับเป็นสัปดาห์ที่5นิคโครธเนี่ยแปลว่าต้นไซเนะี่ยพระองค์ประทับนั่งที่ต้นทายแต่ต้นไยที่พวกคนเลี้ยงแพะชอบไปนั่งแถวนั้นนะอาชาแปลว่าแพะปาระแปลว่ารักษาอาชาปาระนิคโครธก็คือต้นต้นไซที่พวกคนเลี้ยงแพอ้ชอบไปนั่งไปอะไรกัน น, นะองค์ก็ไปนั่งสวยวิมุติสุขที่นั้นอีก7วัน ทีนี้พอวันที่แปดเนี่ยนะก็พราหมณ์หุ่หั ก, ห ก, กชาติคนหนึ่งก็ไปในพุทธสํานักคือไอ้พราหมณ์คนเนี้ยเขาเป็นประเภทที่ถมมังคลิกะเขาเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องเห็นนะเป็นมงคลมากพราหมณ์คนนี้นะเพรา ะ, ะเขาก็จะปกติเขาไปที่ไหนเขาจะตะหวาดคนอื่นว่าเฮือืองั้นนะเฮืเฮือเนี่ยมันไปไทยเนี่ตะหวาดคนยังไงนะหมายความว่าไปเห็นใครก็คํารามหมดอนะกะบอกว่าเขาก็เป็นคนเนี้ยเฮือเือเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ไปที่พระพุทธเจ้าไปเฝ้า ก็ทูลปราศัยกับพระพุทธเจ้าผ่านการปราศัยพอให้บันเทิงกันแล้วระลึกถึงการก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพราหมณ์ก็ถามว่าท่านพระโคโดมบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุเพียงเท่าไหรหนอก็เลธรรมะเหล่าไหนทําบุคคลให้เป็นพรามณ์เอมีธรรมะยังไงจงึงจะเป็นพราหมณ์แล้วธรรมะอะไรมั่งทําให้เป็นพราหมณ์แต่เนื่องจากอตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ เป็นผู้รับธรรมะตรงๆเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่แสดงธรรมในระหว่างนี้แต่จะอุทานขึ้นเพราะว่าการแสดงธรรมเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมจริงๆก็ต้องเมื่อแสดงกับพระัญญาโกณทัญญะเนี่ยนะเป็นเจ้าแรกเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนอื่นๆนี่ถือว่าเป็นการอุทานขึ้นเนี่ยนะเป็นการอุทานเพื่อเป็นวาสนาบารมีไม่ไม่ไม่เรียกชื่อว่าเป็นการแสดงธรรมตรงๆเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตอบ คือคืออุทานนะ่ยนะอุทานแบบเปล่งขึ้นโดยที่ไม่ได้เป็นลักษณะการแสดงธรรมอะไรว่าพราหมณ์ใดเนี่ยนะมีบาปประทำลอยแล้วก็าถามว่ า, าธรรมะเนี่ยนะเหตุเพียงเท่าไหร่เนี่ยทำให้เป็นพราหมณ์นะก็ต้องคนนั้นเรียกว่าเป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงคือผู้ที่ลอยบาปบาปคือราคะโทสะโมหะละหมดแล้วเรียกเรียกว่าเป็นพราหมณ์แล้วก็ไม่ตวาดผู้อื่นว่าหึงหเนี่ยนะก็ต้องไม่ขู่คนอื่นนะมันจะไปเที่ยวขู่คนอื่นทั่วไปหมด คือพราม์คนนี้นะเขามีนิสัยอยู่สองประการเป็นหลักของเขาเมื่อเห็นคนอื่นนะจะขวอยู่ๆด้วยมานะกับโทสะเขามีอยู่สองอย่างนี้เท่านั้นแหละมันเขาถือว่าการเห็นเนี่ยเป็นมงคลนับถืออทิฏฐะมังกริกะแต่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพราหม์จริงๆก็ต้องไม่ตะหวาดคนอื่นว่าเฮือๆว่ากันเลยอันนี้เขาเินเป็นเะอเป็นเฮือๆไง